Book 2 7เจสิห้า e n e t เหตุผลบางประการ It's v e r k l a r i ทำไมคุณไมมาคะ w a r o m k o m m ni อากาศแย่มาก ดี e so ิร์อสส s สละช์ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากคุ n i ี่อุ a มดีวิ e ์สุสละช์สทำไมเขาถึงไม่มาคะวั a รุ่ง o m ้นวันเขาไม่ได้รับเชิญ y อ s ส i e u i อ g e n o o i nie. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญไฮกุมนี่อมนาไตนี่ไอท์นมีอิสหนี่ทำไมคุณไม่มาคะวอร์ไมกุมยหญนีดิฉันไม่มีเวลาไอท์เฮดนีไตตนีดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา แอคกู้นี้อ da มดะ n ทคนิคใต้ ni ็ดนทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะวอร์มใบใหญ่นี้ดิฉันยังต้องทำงานค่ะอคมุดหน kg แวร์ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะแอคใบนี้วันต e แอคมุ n o นกแวร ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ weg? ดิฉันเหนื่อยค่ะดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะดึกแล้วค่ะ Lot. ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะอเอกสารติดออลล็อด t is กรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด